6. อารามวักสิกขาบทที่หนึ่งภิกษุณีรู้อยู่เข้าไปสู่อารามที่มีภิกษุโดยไม่บอกต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ่ย่างเท้าเก้าที่1เข้าเขตต้องอาบัตทุกกฎ 2. ย่างเท้าเก้าที่สองต้องอาบัตปาจิตตี